เทศอบรมพระวันที่26พฤศจิกายน2521นี่ตอนปลายเผ็ดร้อนมากดีมากปลุกใจดีมากเทศจิตแหวกแนวหมดทางแก้ไขมีมากในปัจจุบันจิตจติดอยู่กับควาว่าเราจึงแก้ได้ยากเพราะกลัวจะกระเพื่อมเราผู้รับประทานก็มีอิ่มก่อนอิ่มทีหลัง เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันไม่ขาดมรคขาดผลเพราะกิเลสกับธรรมเป็นเครื่องแก้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอไม่มีอดีตอนาคตสัจธรรมทำงานเกี่ยวโยงกันเอหิของธรรมท่านสอนว่าท่านจงย้อนจิตเข้ามาดูสัจธรรมนี่มีอยู่ในกายในใจนี้และโปธิลัสเถระนี้ดีมาก ใครฟังอัดได้ด้านบีนี้พูดธรรมะวาระที่สองจากเทศอีกเล็กน้อยก็หยุดตอนเทศมีเกี่ยวกับพระโปธิลัต ด, ด้วยมีเอหิกิเลท้าทายธรรมอยู่ภายในใจจงย้อนจิตเข้ามาดูและต่อสู้กับกิเลสด้วยธรรมด้วยปลุกใจดีมาก ตกมันแตกปอกแหวกแนวอนีดน่งตกาบัตรนาน่าก็ถูก น, นี่คิดใจเวล้วแตกปอกแหวกแนวไปมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอ้ที่ครูบาาจารยสอนไม่ได้นะใครมาแตกไม่ได้เห็นอยู่ทั่วไปวนี่เกิื่อนไปหมดเป็นแบบนั้นะเนี่ยทำใจว่าคุปฏิบาต์มัแบบล้มลุกคางต่อไปก็เลยล้มไปเรื่อย มันร่มประตูทางมันลุกไม่ขึ้นแล้วก็ไม่สนใจแต่ลุกคำว่าไม่สนใจแต่ลุกคือไม่สนใจจะแก้ไขลรืองของนะใครตัเดเรือเนี้อก็เป็นผีที่ใหม่นั่นดูทั่วไปมีทั่วไปอย่างนี้เพราะมันชินชาแล้วมันก็ได้หนาขึ้นม า, ารับกคันลมกับคือวาจายังนั่งสติตามไม่ได้แล้วเราจะไปออก สาระสำคัญมาจากไหนในเวลาที่เราเป็นอยู่ยคนเดียวต้องคิดที่ผู้ทีปฏิบัติเพื่อมีหลักเกณฑ์ในตัวเทางด้านธรรมะเราต้องคิดอย่างนี้ผมไม่คิดเรื่องอนี้ผมก็มาอบรมสัง่งสอนหมูเพื่อนรับหมู่เพื่อนมากี่มากน้อยผมพร้อมแล้วด้วยเหตุผล เพราะะนั้นจีิงต้องแนะนำสั่งสอน เ, ป, าานอเป็นไปฏะสิติกำลังความสามารถทุกแน่ทุกมุมที่ผมพอจะเป็นไปได้ตามกําลังความสามารถก็ติดปัญญาของตกเพื่อนค่า่ตรงไหนต้องบอกเพื่นคาดตรงไหนต้องบอกเพราะเป็นเวลาที่มารับการอบรมและเป็นเวลาที่เราสอนเนี่ยเราคิดแบบนี้พร้อมๆทาออกไปแล้วมีใครแนะนํนน ำ, นำต่เกียงสอนมันก็ยิ่งเลวเป็นหรือไปเรื่อย มื่อจได้สติปัญญาได้เราวางชาจนเป็นสดิตนิ ส, ยสัยติดไปในทางที่ดีแล้วออกไปมันก็ดีเรื่องของที่เหลือจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่จะแก้ได้ใ น, น่ั้นเป็นติ่เหนียวเน่นมากมันติดอยู่กับเราอันยนันไม่ติดอยู่กับอะไรเรานี่มาอยากจะแตกผมว่าเราเพอย่างเดียวที่เหลือก็มาอยู่ในนั้นหมด เพราะคําว่าเรานั้นเป็นเกราะได้เป็นอย่างนหนึ่งปลอดภัยทั้งหนังสือเหล็กถ้มีอะไรก็ไปแตะต้องไม่ง่ายอะไรอะไรก็เราเรานี่ยนั่นนหะเป็นครังของกิเลสอยู่ตัวอยูท่ที่เรานะีมีทําก็แทบไม่ไเพราะคําว่าเรามันเป็นกี่ลทั้หมดแล้วแทบได้ไมถแตว่าเรามาอบรมเราตั้งใจงมาศาึกษา ถ้าเราแบบนี้เหมือนก่อนแต่มันขึ้นได้ชั่วขณะถ้าเราแบบนี้ถ้เราอยู่้วยหลับธรรมาชาติของกิเลที่มัน ต, ตาาั้งตมในภายในจิตนั้นมันตลอดไปการปฏิบัติตัวเองต้องตั้งเสมอจิตอย่าสนใจกับอะไรนี้กว่าเรื่องธรรมะภายใ น, นตัวเอง อยงีออไรโอยอย่างนี้เรียว่า ไ, ไงเห็นไหมหระมันมีแต่ความเพลิดความเพลินหาสาระทัญงาหาเหตุหาผลไม่เลยทั้งมันทั้งคืนไม่มีความอี่มพอนี่ดัวดิวเพราะจีนโลกไม่มีที่ยึดอาศัย<อ> ส, สิ่งนี้นเป็นที่ยน่นแล้วก็เป็นใจในตัวมันเองทำลายคนเป็นมากน้อยเท่าไรเพราะสิ่งนี้ดัวดิ ทีเสียง ว, ว่านี้ทุกคนไม่ได้ทุกคนทุกวันนี้ดูออกเกิดขึ้นมาเป็นนมาอย่างไรบ้าการเมรืังอะรตอนนี้ปัจจุบันนี้กป็นตัวคนผิดกันอย่างไรบ้างมาดูเขาเขารู้แล้วมันจะบุะมีบากที่ไหนต่อไปมันก็เป็นแบบจัดปมดควารู้สูงขนาดไหนความประพฤติความเข้าใจทุกด้านนันก็ไปแบบจัดไ มันหมดอย่างอหนึ่งคือว่ารัที่มีศาสนาด้วยแล้วมันก็ยิ่ก็เรียกว่าเป็นรัฐที่สามัญนรัฐที่ที่มีศาสนามันมันมีนวัตชีวทําในตัวรู้จับบาปจับบุญรู้จะบุลต่างๆร้จั คือกว่าไม่คว่ ไม่ว่าผู้ฝึกหัดใหม่ผู้ฝึกหัดเก่าต้องมีความเข้มแข็งด้วยกันการบังคับจิตด้วยสติต้องถือเป็นงานสำคัญ คือมีสิ่งผักดันอยู่ภายในจิตให้ต้องคิดออกเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องอันเดียวกันกับอยู่ภายในคือเป็นเรื่องกิเลกทําไมกี่เลส น, น, นี้เป็นผู้ผลักดันจิตกันมาให้ไปเที่ย ว, วขวงฝ่ายสิ่งภายนอกเข้ามาเพิออ่มเติมเข้าไปซึ่งเป็นปฏิกิริย เ, เดียวกันที่เียดเดียวกัน เป็นเสมอเราพอจะทราบได้แม้แต่กาปรปฏิบัติขั้นใหย่เริ่มแรกเราลองตั้งจิตอ่าจะเป็นคําบริจารณ์ต่อตามถ้าผู้มีฐานสมาธิพอจะตั้งจิตดูกับจุดแห่งความรู้ได้ก็ลองตั้งดูเราจะเห็นความรู้อันนั้นนั้นถูกหนุนขึ้นมาผับดันออกมาเป็นอัก ลักษณะให้ทราบให้ทราบให้ทราบโดยลําดับลําดับอยู่ในนั้นแล้วเดี๋ยวก็แยกออกมาเป็นสังขารเป็นสัญญาเมื่อเป็นสังขารก็นสัญญาไปป้องกันก็กลายเป็นเรื่องเป็นราขึ้นมาที่ความรู้กระต่อขอบ เ, เรื่องนั้นไปเรื่อยๆนี่ที่นี่เราก็เผยตัวเรื่องนั้นเหมือนกับว่ามันอยู่ที่อื่นความจริงมันออกจากตัวเองไปเป็นเรื่องหลอกตัวเอง มีทราบทัดเกณฑ์พ่อได้ปฏิบัติกับจิ่งเหล่านี้มาแล้วจนกระทั่งได้แก้เต็มความสามารถทั้งตนและได้ทราบชัดว่าความถักดันออกไปนี่เป็นคงามสามารถของเด็กเป็นผู้ผลักดันออกมาให้ปงเมื่อความปรุงป้าขึ้นมาสัญญาก็หมายในความกันแล้วก็เป็นเรื่องเป็นลาคุณมา เพลนในเรื่องราวเขาตื่นเงาคือเงาของจิตกว่าจะลึกได้ก็ไปนางแล้วแล้วผลขอามันที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตเพิินไปนั้นมีอะไรบ้างสิ่งที่ควรจะดีใจก็แสดงขึ้นมาแล้วสิ่งที่ควรเสียใจก็แสดงขึ้นมาแล้วแสดงเป็นผลขึ้นมาภายในจิต เสยียใจก็เป็นเรื่องของความทุกประเภทหนึ่งดีใจแม้จะเป็นสุขก็สุขเพื่อทุกประเภทหนึ่งเพราะไม่ใช่ดีใจเรื่องธรรมะ ม, มันดีใจแบบเรื่องของจิตหลึกถึงสุกก็ต้องสุกไปเพื่อเพื่อทุกหากว่าจิตมีตั้งแต่ความรู้ล้นๆมันมีอะไรเกี่ยวข้องเลยถึงจะแสดงขึ้นตามเรื่องของขนันก็ซา มันตรุงได้เหมือนกันครับธรรมดานี่ความคิดความตรุของผิดแต่มีอะไรผลักดันหรือคิดขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติธรรมดาของตนเองมันต่างกันด้วยตรงไ้นเพราะงั้ความคิดความตรุงหรือขันพระพินาศจึงเป็นขันรุนรวนหนัะขันเราก็มีกิเลสต้องเจือปนกับกิเลสทุกระยะที่แสดงออกมาผิดกัน แล้วต่ขี้เหลียมมีความมีความอยากความมัเย็ดแค่ไหนการแสดงออกมาตามขันจะต้องมาแสดงออกมาตามความอยากความมันเย็ดของตนถ้าไม่มีอะไรเลยตนบิดบริสุทธิ์ล้วนๆขันก็เป็นของบริสุทธิ์ตามหลักธรรมชาติของตดแสดงออกมาก็เป็นประเพียนริยาของขันที่ยอมคลอนตัวเลึกๆเหมือนหางสิ่เงเหลมขาดมันมีความหมายอะไรหาสิ่เงเหงคขาด มันไม่มีความหมายอะไมันรกดิบมันนี่แหละขันตามธรรชาติของขันที่ไม่มีอะไรเข้าไปบังคับบัญชาไปเป็นเจ้าของมันก็เป็นอย่างนั้นปรุงเท่าไหร่มันก็ดับของมันไปเรื่อยมือกอดทุกกอความหนักอทั้่างนพรมีที่เหลตัวกอทุกนี่แต่ขันเฉยๆนี่คือคือขันล้วน ยังไงมันก็ปุ่มตามธรรมชาติของมาจะระงับตัวไปในขนาดเป็นบางเวลาคือเราระงับขันจิตก็พักเพราะจากนั้นมาขันก็ทำงานเป็นทีเทวว่าไม่ทำงานประย่วกว้านกี่เลยเหมือนอย่างแต่ก่อนท่านั้นะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระกินาศก็ดี ท่านจรงบำเพ็ญเพียรดูตลอดวันนี้ผ่านการบำเพ็ญเพียรของท่านไม่ได้มุ่งเปิดอจแก้ยี่เหลยนัญหาอาสวะตัวไดแต่เป็นการบำเพ็ญเพื่อระหว่างขันกับจิต ท, ที่อยู่ด้วยกันน้วยความสะดวกสบายจนกระทั่งถึงอายุขัยเท่านั้นเมื่อเวลาจะพักก็บข้างผ่อนระหว่างจิตกับ ข, ขันทักไม่ค่างนานขันเป็นเครื่องมือของธรรมของจิต ท, ที่บริสุทธิ์น้น แล้วต่อยพักสงกเช่นยังเข้าท่านเข้านิโรธสมาบัติต้นนี้เข้าสมาที่โอความสงบธรรมนา ต, ตามอุปนิสัยของแต่ละท่านละองค์ที่ไม่เหมือนกันองค์ที่มีควา ม, มนนาตนนี้ทํานาญในทางหน้านฌานสมาบัติท่านก็เข้าไปทางฌารสมาบัติเช่นปัญหากัะสับะเป็นต้นท่านมีความํานาญ ทางนิโรธสมาบมันก็เข้านีโรธสมาบผู้อุทีนนิดจลิขิสายไม่เกี่ยวข้องนั้นท่านก็พักความหกบของจิตโดยหลักสมาธิธรรมดาทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นเรื่องระงับคือเป็นวิหาราธรรมเพื่อความอยู่สบายในระหว่างขันธิติใช้กันพอเหมาะพอสมนี่เป็นหลักธรรมชาติ ของพระคินาสุตานาลัยซึ่งท่านต้องประกอบหรือบงเพ็อยู่ตลอดไปจนกระทั่งถึงวันสิ้ป่าหากเป็นอัจฉริยะของท่านเองไม่มีใครมาบังคับไม่มีกิเลสตัวใดมาบังคับให้ท่านต้องทํำอย่างนั้นแต่เรื่องระหว่างขันธกิจมันถ่อบอกไว้ในตัวว่ามีควรจะทักก่อนมุดความคิดความปุงเรามีการมีการมราคิดถึงเรื่อนอะไรๆนี่นมันก็เป็นงานของจิตเมื่อคิดไปมากๆมันก็จะให้เกิดความหนื่อย ความอ่อนเพลียภายในขันงานลังงับเสียด้วยความพักไม่ใช้ขันปล่อยวางขันเพ่เป็นเครื่องมือนั้นไว้เพลียหรือกรนับตโดยธรรมดาไม่ออกไปเกี่ยวข้องแบบนี้เพราะออกมาจากนั้นก็พิดกลุ่หน้าที่กันงานเกลียวก็เรื่องขันได้อีกอย่างนี้เรื่อยๆไป ทีกล่ามาทั้งนี้นั้นเป็นเรื่องสดสดร้อนร้อนเราอยากเข้าใจมากผ่านไปแล้ตั้งกี่ร้อยี่พันปีแล้วแล้วก็สุดเอื้อมหมดหวังทําให้ใจิตใจท้อถอยหมดความหวังที่จะไปพิชิปฏิบัติตนให้เป็นอย่างนั้นได้เพราะท่านได้แต่เล้ยงลูกไปแล้วตั้งแต่สมัยนั้นสมัยนี้เป็นสมัยโมคะผมทำไงก็ไม่ได้เหมือนกับว่าสุดเอื้อง หมดหวังนี่เป็นความคุกอันหนึ่งที่จะทําลายความเปลี่ยนนั่ตนเองซึ่งเป็นความผิดไม่ใช่เป็นความถูกต้องความถูกต้องก็ท่านพูดเหล่านั้นก็คือพูดถึงท่านผูททททน้ที่ชํามรัยกยิ่งเรศภายในจิตใจยิ่งเรยซึ่งมีอยู่ภายในใจิตใจจะสิ้นถูญลงไปหมดเพราะอำนาจแห่งความเปลี่ยนท่านจึงเป็นผู้บริสุทธิ์เวลานี้เรายัง กิเลสจะไม่สิ้นไม่สุดกิเลสจะมีอยู่หัวใจเรากําลังแก้ไขเรากําลังถอดถอนกิเลสด้วยเครื่องมือมีศรัทธาเวียสสติสมาธิปัญญาเป็นสำคัญมาเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเหมือนกําลรารับทานอยู่นใน ด, ด้วยกันนี่องค์อีมก่อนก็มีองค์อีกสำหรับลำดานก็มีองค์อีกที่หลังก็มีออ ก, ก็เมื่มอรับทานอยู่แล้วมันจะไม่อิ่มได้หรอก สิ่งที่รับทานก็หมือนอาหารคือรับทานก็มือนการรับทานก็รับทานมันจะทนความอิ่มหนำทำงนานไปได้เลยใครจะอิ่มเมื่ อ, อไหร่ก็อิ่มที่ก็เป็นท้องของท่านท้องของหลัาเนี่ยเป็นการฉันหรือการรับทานของท่านของเรามันมีความเป็นตัวของตัวเป็นตัวของตัวอยู่ก็อยูด่ด้วยกันเท้านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของท่านโดยเฉพาะผู้อิ่มแล้วเราหมดหวังท่านอิ่มก่อนแล้วเราแล้วเราหมดหลัง อย่างนี้มันเติมไปได้เลยเพราะนั้นพิรารับทานอยู่เหยื่อใดเราจึงง่ามหมดหวังรสชาติแห่งธรรมก็รู้รสชาติแห่งอาหารก็รู้อยู่เผ็ดเจมก็รู้อยู่ตนกระทั่งอื่นไปโดยลําดับธรรมดาเราก็รู้เพราะการรับทานอยู่แล้วเหตืใดจึงจะไม่อิ่มด้วยกันถึงจะหลังจากก่อนหน้าอะไรไม่สําคัญสําคัญที่การกระทำที่ท่านทัเล่นทุลุ่งไปแล้วก็เหมือนกับท่านรับทานอิ่มก่อน การละทานกับละทำอาหารประเภทเดียวกันีการปฏิบัติก็ปฏิบัติประเภทเดียวกันคือมัชชิมาปฏิปทาตามหลักธรรมเป็นเครื่องแก้กิเลสเหมือนกันเราจะชุดเอื่องหมดหวังที่ไหนเราต้องคิดอย่างนี้ตามหลักความจรนี่คือหลักความถูกต้องคิดแบบชุดเอื่องหมดหวังนั้นนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสกล่อมหัวใจให้หลับสน ่ยสัเด็จดเมื่ อ, อไรทั้งหมดสันเร็จดไปจากหัวใจนี้เพราะท่านแก้ที่ตรงนี้เรากาลังแก้เรากําลังพิจนารณาที่ตรงนี้เวลาสันเดียดที่หัวใจด้วยกันแม้อยู่ห่างไกลกันที่ไหนเมื่อแก้สันเดียดออกไปโดยลำดับลำดับเราก็เห็นรสข้าพแย่งธรรมมีความยอดเย็นเป็นสุขพูดถึงเรื่องความสงบสบายสะดวกสบายก็รู้ความเบาตัว จิตเราใจเพราะกา ร, ร, ร, รกาาตัดถอนกิเลสประเภทต่างๆไปเรื่อบๆก็รู้นี่เมทั้งถึงความสิ้นสุดแห่งกิเลสเพ ร, ราะอำนาจแหงความเพียรซึ่งจะเกิดในสถานที่ทํางานนี้ทําไมเราจะหมดหลังเราจะสุดเอือ้อทำอคติแต่แบบหลมแรงแรงเป็นความคิดที่เพื่อจะเป็นความคิดเพื่จะฆาทรรั้งหันตมินตัวมรู้ตัวเท่านั้นถ้าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่เชื่อธรรมเชืเ่อกิเลส ความคิดประเภทนี้เป็นความคิดของกิเลสไม่ใช่ความคิดของธรรมความคิดของกิเลสต้องเป็นค่าสืบต่อธรรมเสมอถ้าเราจะคิดเพื่อธรรมแล้วเราต้องแก้วความคิดประเภทนี้ออกจากใจของเรานั่นคือว่าเชื่อทรรมพุทธธรรมธรรมสังกัมมตังกาฉันนี้ถูกต้องเ อ, เอาให้เห็นจริงเห็นจังเนี่ยศาจะทํามมีเต็มตัวอยู่ด้วยกันทุกคน ตรงนี้แหละตรงที่จะมาวัดมาเทียบมาเทียงกันเป็นข้อตัดสินกันตัดสินกันที่สัจธรรมไม่ได้ไปตัดสินกันเรื่องก่อนเรื่องหน้าหนึ่งสถานที่หน่นสถานที่นี้ข้างโน้นข้างนี้ที่ไหนตัดสินกันในวงสัจธรรมเพราะความเพียรก็จะหมุนลงที่นี่ตรงที่สัจธรรมทุกขังอริยสัจธรรประก า, กาศกลงวันทั่วสนาผางร่างกายและจิตใจสมุทยัยอริยสัจธรร มันแสดงอยู่ภายในจิตตลอนะดเวละมักว่าจะแก่ศีลธรรมที่ปัญญาผู้ที่จะตามรู้สิ่งเห่านี้มันมีอยู่กับเราเนึ่งเรากําลังดําเนินเรากําลังทำํำงานอยู่ในวงแห่งสัจธรรมทําไมมักคผลอุปานเราจรึงจะแหวกแนวนีหนี้ไปทางอืน่นเสียโดยที่ทำํำจนเป็นสติกําลังขวามมากและถูกต้องตามหลักปฏิปทาที่เจ้าสูงส่งไวแล้วแต่ไม่มีผลมันเป็นไปได้ไหรื เป็นนักปฏิบัติต้องนิภาคมุจารย์ต้อ ง, อ ง, งยแยกเยะแก้ไขตัวเองด้วยอุบายวิธีต่างๆยอกย้อนชอบแทกซิคแซกด้วยอุบายสติปัญญาจริงเรียกพระพุทธ ผ, ผู้ฉลาดถ้าไม่คีดอย่างนี้ตายนะไปไม่รอดนะสติปัญญาขิดขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าก็ดีสามวกก็หลายพอดีท่านมาไปเที่ยวแบกคัมภีร์ละท่านไปไหนท่านไมมีคัมภีร์แบกคัมภีร์อยู่ในนี่แล้ว นี่เป็นหนักธรรมชาติทำอยู่ที่มี่เลนบาปทำอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่นี่แหละคัมภีร์ใหญ่อยูตรงนี้ค้นลงตรงนี้อุบายวิธีอันใดที่เป็นเครื่องแก้กิเลสนั่นแหละคือธรรมอันใดที่เป็นขึ้นมาเพื่อความผูกมัดหรือเสียบแผงจิตใจนั่นคือกิเลสจะไม่ให้ชื่อก็ตามไม่ตั้งชื่อต่างนามก็ตามไม่จะจดจารึกในคัมภีร์บาลามก็ตามนั่นก็คือตัวกิเลสมันต้องเป็นภัยอยู่ตลอดไปตั้งที่จดจารึกชื่อหรือไม่ชื่อไม่สำคัญ การแก้ที่เหล็เราจะต้องไปหาเอาคำพีใบล่างที่ไหนมาเป็นสักษษษยิปยายนมันจะทันกับที่เหล็นาะอุบายวิธีใดที่มันเป็นไปเพื่อถอดถอนนึกมเลบล้างสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เหมือนอย่างน้ํนำนำาำชาล้างน้ําที่อาดชาล้างตรงไหมมันก็จะอาดตรงนั้นสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ชาล้างที่เหลกอัตวะปเพทต่างๆซึ่งเป็นสัจธรรมแต่และขอล้ขอละข้อแต่และอย่างไม่หย อยู่ในวงนี้ทําไมจะไม่ได้ผลนีโรษนั้นเป็นผลของมรรคฐา น, น, นทำเพึงทําให้แจ้งจะทําให้แจ้งด้วยวิธีใดถ้าไม่ทําให้แจ้งด้วยศสัทธาวิยาสติสมาทิ่ปัญญาไม่มีทางที่ทําด้วยให้แจ้งได้นี่ทุกพึงกําหนดรู้ท่านแสดงเพียงกิริยาเท่านั้นเองแล้วเพื่อจะได้ตั้งสติลงไปที่จุดมันเป็นทูก พอรู้แล้วจะไปแก้ไขยังไงมันมันเป็นทุกข์ก็มันเป็นทุกข์นสาเหตุที่มันจะเป็นทุกข์นี้นั่นเป็นสําคัญมันเกิดทุกข์ขึ้นมานี้เฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ทางใจมันเกิดขึ้นค้นคว้าดูเหตุดูผลด้วยสติปัญญาของตนเองทุกข์ทางกายเกิดขึ้นมันจะเป็นสาเหตุที่ให้เกิดสมุทัยทางใจได้เหกันเพราะเราถือกายว่าเป็นเราเมื่อเจ็บปวดที่ตรงไหนขึ้นมากน้อยก็ให้เกิดความ ต้องหวนความรักไม่อยากให้เป็นย้ำปิดขังนับปฏิตำปิดถูกขงังเมื่อปรารถนาไม่สหวังก็แสดงทุกข์้นีนี่คือเรื่องของจิตใจความปรารถนาความอยากให้มันหายเป็นเรื่องของจิตหายไม่หายก็ไม่ต้องว่าถ้าวันมันสําเร็จด้วยกันอยากให้หายมันหายันแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องมีทําเป็นเครื่อนลำเนิดสมุทยพืงนละเนี่ยท่านบอกว่า สมุทัยพึงละทรรมาจะละสมุทัยได้เอาไร ม, มันละถ้าไม่มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรจะละสมุทัยคือกิเลสแน่น้อยหนึ่งแต่ไม่ได้นั่นมันเกี่ยวโยงกันนี้ศัตธรรมเราจะากำหนดทุกพึงกำหนดรู้แล้วสมุทยัยพึงละแล้วดัง น, นี้ก็เป็นธรมให้เจ้แล่ายสุดมากมันอบรมให้มากอย่างนี้ให้มันสืบต่อหลันั้นตายถึงวันตายมันก็ไม่ได้เรื่องเราแจกกิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้ เรื่องเหล่านี้มันเกี่ยวโยงกันพอจบลงไปล็กตลงไปปั๊บนีมันกัดเพลินถึงอาณาจักรทั้งสีหมดด้วยกันเลย อ, อทุกปรากฏขึ้นมาตั้งกต่ตีพักทุกมันปรากฏขึ้นมาเพราะเหตุไรละอืมอะไรเป็นสาเหตุที่ทุกเกิดนี่คือเรื่องของปัญญาแล้วนี่นปัญญานี้ ม, มันจะแปบพ้ น, นปนัญหาไม่็้นสาเหตุสาเหตุที่ให้เกิดทุกไม่ใช่ส่มูไทน์จะคือกิเลสจะเป็นอะไรเนี่ยมันไปแล้วเนี่ยมันยิ่งไปตามอันนี้พอเข้าใจเรื่อง แล้นี้เป็นลําดับโดยที่โรดคือความดับทุกมันก็ดับไปโดยลำดับเลยมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้หลักธรรมชาติหลักการปฏิบัติแท้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นท่านก็เรียกว่าอย่างนั้นแ่ะเหมือนอย่าข้างหน้าข้างหลังเขาบุคคลคนเดียวข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างมันก็ว่าไปางั้นมันก็อยู่กับคนคนเดียวเนี่ยมันเกี่ยวโยงกั น, นหมดเนอหนังมันหุ้มห่อไปหมดไม่ได้หรือตั้งข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างนี่สัจจะอยู่ในวงสัจธรรมอะไรอย่างไร อาการเป็นงไงทังานกว่าแตตามอาการแต่ไม่ถืออาการนั้นเป็นสำคัญ ย, ยิ่งกว่าความจริงพิจารณาเรื่งนั้นมันแน่มันแน่จิตมั น, น, มนจริงจังยาอ่อนแอนนะมีจริงมีจังกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลอย่าสับแต่ว่าทำ เดินมีกลมเหมือดเดินแต่เราไม่มีสติสตังส ต, ติไม่มีเมื่ อ, อไรขาดความเพียรเมื่อนั้นไม่ใชกว่าความเพียรให้จําไว้ตรงนี้เราหวังเอาอะไรเวลานี้เราหวังเอาอัดเอาทําจากความเพียรของเราเพศเรานี้เป็นเพศที่หวังอัดหวังทําอย่างยิงย่งเลยหวังความพ้นทุกข์แล้วทําไมเขาจะพ้นทุกข์ทุกข์อยู่ที่ไหนถ้าไม่อยู่ที่หวัวใจเราจะแก้ไขด้วยวิธีใดใจของเราถึงจะพ้นจากทุกข์ไปโดยยังไงเนี่ย นั่นก็ไม่พ้นจากสติไม่พ้นจากปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหอนุนไม่พ้นจากนี้ไปได้ขอให้กินให้จังเถล้วอย่าคาดอยหมายไปที่ไหนที่อื่นการปฏิบัติธรรมสวค์อย่าน่นนิพพานอยู่โนกิเลสอยู่โ น, น่ท่านแก้กิเลสท่านแก้อยู่น่นโน่นแล้วไปวาดภาพไปเรื่องของท่าน ไอ้ตัวเองที่แบกทุกข์อยนี้แบกเกลียดอย่างนี้ไม่เข้ามามองมันจะเห็นเกลียดเห็นที่แก้ไดนะ้อย่างรมันอยู่กับตัวเราไงไม่ออยู่่่ทีืนดูตรงนี้เอหิปฏจิโกอเองหิท่านจงย้อนจิตเข้ามานั่นน่ะตามหลัก บ, บาลีท่านบอกตะวังท่านว่านั้นติอันติที่ถามมิมาตรอะไรตามหลัก บ, บาลี ตีก็บอกคนรูกสักอันตีก็เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ทั้งหลายเพเป็นกิริยาพหูพจน์เอกพจน์ตีเป็นเอกพจน์อันตีเป็นพระหูโพธิคือหลายคนหลายสัตว์หลายตัวสี่ท่านาท่านทั้งหลายมิมะเราเราทั้งหลาย ที่ถ้าเราท่านเนองมีพิุปะสัมปทาท่านตองเปพิุมาเถิดทเราล่าวดีแล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงบวชพิขุในสมัยเริ่มแล้เองมีพิุปะสัมปทาท่านตงปพิคุมาเถทำไม่ไลาวกาวดีแล้วท่านองค์พิพัมพัน์เพื่อความสิ่นสุดนรกทุกเถิดถ้าองค์ที่ยังไม่สิน้นสุดนกท่านจะ แสดงว่าท่านจงแสดงพงศ์จาจันเพื่อความสิ้นสุดขอทุกเถิดถ้าผู้ที่สิ้นทุกไปแล้วท่านไมาก่าวตนะั้นตรงนั้นท่านจงพิสูจน์มาเถิดทำไมเรากล่านี้แล้วเท่านั้นพอนี้เมื่อเขามาย่นพมาถึงตัวของเราที่จะแจ้งตัวโดยหลักธรรมด้วยหลักธรรมอ น, นี้เองมีแปลว่าอะไรออืท่านจงย้อนจิตมาเอ่งหิบอกให้บอกตะวังก็บอกว่าท่านหรือเธอ จงย้อนจิตเข้ามามามานะเองเองจงมาก็คือว่าน้อมกิตเข้ามาย่าทรงกิตลงไปข้างนอกนี่ตามหลักปฏิบตัติเราได้ผลอย่างนี้เราจึงพูดอย่างเต็มปากไม่สะทกสะท้านว่ากลัวผิดนะพยาธิหมอสามารถที่จะเรียจรองคนอื่นให้มาดูทำของกรินได้มันโหย้ยมันห่างไกลเหลือเกินหนังนี้แหละการตรวจการเลือกคำพีบาลานเพราะมันขึ้นอยู่กับผู้ตรวจการเลืกมาก ผู้ตรวจจดเลนั้นมีความรู้หนักเบาแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับการตรวจจดลึอเพราะเราไม่ได้แน่ใจว่าเป็นพระกีณาศพจะจจดเลึกโดยอทุกคัมพีร์ไปนี้ทุุทนคนหนาที่เหลืหนาปัญญาอันนี้มีจึงเรียกว่าพระคันาธน า, า, ารุจนานรืเจยจีอจางไม่ใช่พระรหัสอาหารการ จ, จารวจจนเลือดคำพีโบราณมันต้ขึ้นอยู่กับผู้ตรวจจดเลือโดยแยกไม่ออกแหละไม่มีมากก็ต้องน้อยมีอยู่ก็ไนดน้า เองมีก็เลยแปลไปตามศัพที่เอาปีญญายข้างนอกออกมาพูดแล้วสามารถที่จะลอกเรียกร้กรองคนอื่นมาดูทรรของจริงได้เรียกร้องมาอะไรไม่ใช่บ้าเรียกร้องมาอะไรให้เขาดูอะไรเออเอาอะไรให้เขาดูแต่ตัวเองยังไม่รู้เอาอะไรเขาดูได้อย่างงรนี่นี่หลักแกตัวเองว่าท่านจงย้อนจิตเข้ามาอยาทรงจิตให้เลินเล่อเถิดตัวไปข้างนอกลูกดูเสียง ลูกกลิ่นรถเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเป็นสิ่งยั่วยวนหิบกตวังเธอจงย้อนจิตเข้ามาหรือท่านจงย้อนจิตเข้ามาดูธรรมของจริงของจริงอนี้คืออริยสัจให้ย้อนเข้ามามันแสดงอยู่ตลอดเวลาภายในจิตนี้ทั้งทุกข์ทั้งสมุทยัยมีนี้จงย้อนจิตเข้ามาให้เป็นมะมีสติมีปัญญาค้นคว้าลงไปตามจิตแทนทุกข์และสมุทัยที่มีอยู่นี้ด้วยสติปัญญาของตน แล้วจะได้เห็นธาตความจริงขนาดที่มีอยู่ภายในนด้านธาตุดเด่นเองพิขุมันตรงมามาอย่างนี้ต่างหากในภาคปฏิบัติแล้วก็ฉันที่พิโกปิดไม่อยู่ต้องรู้ไม่รู้ได้ไงพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดแต่จะรู้เองเห็นเองเราปฏิบัติเองนี่เหมือนกับเรารับทานเองเราฉันเองนี่ทําไมจะไม่รู้รสหวานรสเยื่อรสเค็มแล้วทําไมจะไม่รู้ความอิ่มขนานข้างบน เราเ็นคนทำเองนี่ก็ทาํามะเหมืก็แบบเดียวกันท่าเจะค่อยปฏิบัตินี้นี่เองหมายถึงว่าน้อมจิตเข้ามาอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกส่งจิตออกไปตรงไหนให้เป็นอิฐวงนั้นคือหมายถึงว่าส่งจิตออกไปก็ให้เป็นมักย่าส่งไปด้วยอำนาจของสมุทยัยส่งเข้ามาภายในก็ให้เป็นเรื่องของมาย่าส่งเข้ามาดูเป็นความสวยความงามที่กหลังทำข้อนี้ดูในวงสัจธรรม เห็นตามความริงนี่แหละเอ้ยนี่นี่โกเนี่ยเอ้ยี่ปัดสิโก้ท่านจนงน้อนจิตเข้ามาปัดสปัดสิโกก็คือว like like ่าจงดูดูพู้นนี่ยมันมีอยู่นี่ของกินมีอยู่นี่เรียกตัวเราเองไม่ได้เร Man ียกคนอื่นคนใดแต่ให้ให้น้องเข้ามานี่ให้ดูทําของกินอยู่นี่ให้ดูให้ดูเี่ปัดสิโก้ของกินนี่เหมือนจะจะพูดว่าถ้าทายตลอเวลาก็ได้เพราะเป็นของกิน ไม่จะโต้ท้านต่อผู้หนึ่งผู้ใดต่ออะไรทั้งนั้นถ้าสดนตัวอยู่ตามหลักธรรมชาติทั้งหมดเราจะเรียกว่าท้าขายก็ได้นี่เรียกว่าเป็นของจริงก็ได้วิธีการแบบนี้นะัปฏิบตัติแยกแยกอุบายวิธีการที่จะปฏิบัติต่อขีเด็ดแจ๊กขี้เด็ดได้ด้วยอุบายใดวิธีใดนั่นแหละคือทำเราจะไปหาจากคำพิลาลมาคุยไม่ได้ขี้เด็ดมันเวลามันจะเหยียบหัวเรามันไม่เห็น ไปโยกอคัมภีมาตีหัวเราวะมันเกิดขึ้นภายในใจทีเดียวมันยังเป็นกิเลดขึ้นมาได้เหตุใดที่ปัญญาที่เราจะตามต้อนกิเลสฆ่ากิเลสทำลายกิเลสเราจะต้องไปแดกคัมภีมามันจะทันมันได้ไหมมันไม่ทันตายขึ้นกระเป๋า่าผิดขึ้นมาคิดขึ้นมาทมาี่ปัญญาเวชัยเปภตผู้วิชังพระพุทธเจ้าตระธานบอกว่าแจกพระโพธิลักพระโพธิลักท่านเรียนจกพระไครปิฎกเป็นขณาจารย์ มีลูกศิษย์ตั้งห้าร้อยองค์อยู่เป็นพระมูสุจบพระกายเปลียนเวลาเข้ามาเฝ้าพระิเจ้าโตองค์ทรงเร่งเห็นลูกเบญสัยแล้วแต่เวลานี้กำลังประมาทลืมเมื่อลืมตัวเลยใส่ปัญหาเขาทันปั๊บโบธิราชเธอจงนั่งเธอจงยืนเธอจงมาโผล่จงเธอจึ ง, ง, จ ง, จ ง, จ ง, จงไปโบธิราชโบธิราชเรื่อยโบธิราไปรังเก่าไปรังเก่าไปรังเก่าเรื่อย เกิดความเปรียบสำเรจเอนี่เราเรียนมามากมายเป็นตัวพระใจบิโตกุบริษัทปริวานเรามีทั้งห้าร้อยแตพอพระก็มีถึงห้าร้อยบริษัทปริวานเรนั่งก็มีเยอะแทนที่พระองค์จะชมเชยแม้แต่กระโยคหนึ่งยังไม่เห็นมีเลยเรานี่คงเป็นโมฆะบุกโมฆะพิสูจไม่มีผลประโยชน์อะไเลยพระ อ, องค์จึงไม่ชมเชยพระองค์ตำแหนิงอันไหนก็ดีชมเชยอะไรก็ดีมีตรงมีเหตุผลทุกอย่างนี่คงจะเห็นว่าเรานี้เป็นโมฆะอย่าหงหนึ่งกับ ภูมิคุ้มกัแต่ให้เรารู้สึกตัวเพราะการไปถึงสำนักเตรียมบริหารหนีขโมยหนีสามหมู่เพื่อนในเวลากลางคืนเลยจนประหารไปถึงสำนักท้าวิปัสนาทั้งหลายเพราะข้างมีพฤติกรรมวิปัสนามากนี่แล้วย่นหรอนั่งกับพระเจ้าโต่งอยู่กับสำนักนั้นก็มีสามเหนียน้อยอเป็นอาชัย ที่แรกอกมาโม่ปสวยตัวต่อพระมหาเถระมหาเถระข่านก่นมารับหนาวใบเรียบเทียนเทียมไล่ให้กระหาอนุเถระไปโดยลําดับลําดาซึ่งมีแต่พระกินาศลุ่นล้วนอบู่นวัดนั้นจนนั่งถึงเนนองสุดท้ายก็เป็นพระเนนสีนาศกเนีรอาหารหันยันบอกให้เนนั้นเป็นคนรับเสียเรื่องเนรก็ปัดเหมือนกันเพราะนักศาสต้องเป็นอย่างนั้น ผมไม่สามารถที่จะนำสั่งสอนท่านเป็นกระหังอาการผมเป็นเล่นน้อยจนท่านสัสอนได้ใหม่พระเถระเคยเอ่ยเพราะเห็นแล้วว่ากิยานี้เป็นกิยาที่ว่าเป็นธรรมไม่ถือเมื่อถือตัวมอบการสวายตัวไปได้ตลอดสายจนกระทั่งถึงเหน่เงเนียนที่ไม่อบรมตั้งสอนในใจความที่เงินตั้งสอนนั่นก็ย่อๆพอทดลองดูพาะเถระองค์นี้เราไม่มีพิธิมณนะสมควรที่จะ แนะนําำสอนแล้วก็ต้องหาอบายสอ น, น, อนหนึ่งว่ามีจมูกวกอยู่แหงหนึ่งมีช่องอยู่หกช่องแล้วให้ท่านปิดเสียห้าช่องเอาไว้ช่องอีกแล้วให้เฝ้าอยู่ช่องนั้นแหละมันมีเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ภายในจําปตัวนั้นเมื่อมันมีหลายช่องเหี้ยใหญ่อาจออกในช่องไหนก็ได้จับัไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงให้ ปิดเสียทั้งห้าช่องเพื่อไม่ให้เนื้อใหญ่ออกมาได้ให้ออกให้มีอยู่ช่องเดียวแล้วเขาเฝ้าดูนั้นเนี่ยใหญ่จะขึ้นมาที่ช่องนั้นขึ้นเป็นช่องเปิดแล้วนั้นโดยที่เรารักษาอยู่ต้องแล้วจะตับเนื้อใหญ่ไดุ้บายวิธีท่านเนื้อใหญ่จะหมายถึงอะไรก็หมายถึงตัวของเราตาหูจมูกลิน้นกายนี่เป็นแต่และช่องละช่องใจเป็นช่องหนึ่งเป็นหกช่องด้วยกัน แล้วให้ทำเสียเหมือนเขาน่ารูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอะไรไม่มีโลกไม่มีสิ่งใดในโลกเลยเหลือแต่ความรูวนเท่า น, นั้นดูตรงนั้นด้วยสตินั่นความหมายว่าอย่นันดูช่องนี้มันจะปรุงเรื่องอะไรให้ดูจะปรุงเรื่องความโลกความโกรธความหลงปรุงไปทังรูปทางเสียงทางกลิ่นรดเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นสัญญาอาดีตยังไงมันก็จะรู้ที่ตรงนี้ตั้งสติไว้ตรงนี้นหละช่องนี้คือใจมนโนทวาร ทวารแปลว่าประตูดูตรงนี้เน้นสอนถ้าเทพาก็ยพยายามมาเหมือนกันจนเกิดความมาทาัทะยอุเบกขามีความสงบได้เป็นอย่างดีนำตะเ้าพระพุทธเจ้าเนครับไปถึงพระพทธจาเปไงเน้นน้อยลูกศิษย์ของเธอดีเหรว่อนอะไรู้สิษของเธอเดียว น, นะนะหาเธอหลเนี่ยให้เป็นมาเป็นลูกศิษย์ของเธอ อันนี้ประชมเผยวหาได้ยากเหอนอาจารย์องค์นี้นไม่มีการถือเนื้อถือตัวดั้ใจต้องคือ ป, ปฏิบัติเป็นอัดเป็นธรรมจริงจริงออกจากนั้นพระองค์ก็ทรงสัง่งสอนว่าปัญญาเวชัยเติภูริเป็นต้องพยายามค้นคว้าด้วยปัญญาซึ่งมีความให้มีความแน่นหนามั่นคงเหมือนแผ่นดิบภูริคือแผนดิปัญญาเวชยัยเตยภูริปัญญา เสมอเลือดแผ่นดินจนทําให้เกิดขึ้นเมื่เอเข้าใจสิ่งใดด้วยปัญญาแล้วจิตใจจะมีความแน่นหนา ม, มันคงเหมือนกับแผ่นดินไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดทั้งนั้นเพราะหน้าแห่งปัญญาเป็พูดธูุ้แจ้งแทงทะลุไปหมหาความสงสัยไม่ได้ความหมายว่าอย่างนั้นสอนหนูเราก็พยายามจะคิดใงเรื่อ ง, งปัญญาหาบายคิดย้ำอยู่เพี้เฉยเ พ, พี้ยทางแก่งแปลงอุบาวิธีการบ่อย มันดาเจนมากมันตึงในจิตพลิกใหม่แย่กันอยู่นั่นไม่นั่นมันไม่ทันกับพิเรนนะการที่จะมาอยู่ปัญญานีสําคัญมากทียงเดียวเราเห็นคุณค่ามากตอนวันไหนเวลาไหนก็ตามยิ่งนี้เรื่องสติปัญญาไมาได้พอนี้เป็นพื้นเพลสาคัญสติเป็นพื้นสาคัญมากเพีเดียวเป็นผู้ควบคุมงานปัญญานผู้ขุดผู้ค้น สมาธิจะสงบได้เพราะอำนาจของสติรวมตัวกิเลสเข้ามาภายในจิตใจเมืม่อกิเลสรวมตัวเข้ามาแล้วใจก็สงบแต่กิเลสมันสั้นรุ่งหันทุขนใจหาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เลยครับจุดแห่งความรูม้ไม่มีเพราะกิเลสมันพาใหา้สร้างเมื่อตะล่อมสมาด้วยอํานาจของสมาธิเพราะสติเป็นผู้ควบคุมงานในการบริกรรมภาวนาเป็นต้นนะฮะจิตก็สงบเมือ่อจิตสงบกิเลสก็สงบเงงบข้ามาอืม ทีพ่พอเป็นบาเป็นถามแล้วสมควรนะที่จะพิจรารณาทางได้ปัญญาเพราะจิตที่เป็นสมาธิจิตที่มีความสงบตัวมากน้อยนี้จะไม่ทวนทุลานไม่หิวไม่โหยไม่วิ่งเต้นเพิ่กระโดดกับอารมณ์ต่างๆถ้าทํางานประเภทไหนก็ทําเพราะไม่มีความหงุดหงมาบังคับนั่นแหะปัญญาที่จะออกเอเห็นความแจ่มแจ้งในสภาวะธรรมทั้งหลายเพราะเรื่องเพราะจิต เป็นผู้มีความอิ่มตัวในสมาธิแล้วมาละเหี้ลยรื่อยๆมันแสดงอาการหิวโหยโคนกว่าพอที่จะพิจารณาให้เป็นปัญญาแล้วกลับเป็นขัญญาผเสียจิตมีความอิ่มตัวอยู่ตามขั้นภูมิของสมาธิแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทางานปัญญาก็พิจารณาไปไหนก็ได้พัดเจนไปโดยลํำดับกลาดับลำดั บ, บ, บนะ่นสมาธิมีความสาคัญอย่างนี้ ไม่ใช่ไปทำมาที่เป็นตัวแก้ทีเรศนะพราเรื่องที่เลศเข้ามานี่เรศจะขัดโตออกไปมากน้อยนี้ต้องปัญญาปัญญาเป็นสาคัญเลือเล่อยๆ เ, เื่อยๆเรื่อยๆจนกมาทําไม่มีอะไรเหลือปัญญาก็หมดหน้าที่เองอจะไปไหนว่ามีการพูดทั้งหมดนี่อยู่ในวงขันขอ ง, ของ มันอยู่ที่อื่นนะอริยศาสตร์อยู่ในวงขันสติประฐานสี่อยู่ในวงขันไม่วงขันที่มีจิตเป็นผู้รับผิดชอบให้ค้นดูที่นี่จิตส่งออกไปที่ไหนให้เป็นเรื่องของมากขั้งนั้นจะออกมาทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสให้พิจนาเป็นอัดเป็นธรมเป็นเหตุเป็นผลเพื่อถอดถอนหรือแก้ไขประเด็นเสมอไปพิจนาเข้ามาภายในก็เป็นอย่างนั้นเอาไปไหนก็ใหมีสติตามมีจึงเรียกว่าเป็นผู้แก้เป็นผู้ตามรักษาจิตเป็นผู้พยายามแก้ไขจิตใจของตน เพื่อให้มีกําลังทางด้านสติปัญญาหรือทางคุณธรรมขึ้นโดยลำดับคิดเป็นของมีเจ้าของเนอสติปัญญาเป็นเจ้าของของจิตเราบังคับได้มันอยากเท่าไรก็อยากที่อยากไปเราไม่ไปไมันได้เลยมันมันดูมันไปได้เออมันอยากคิดไปเรื่องอะไรเราไม่ให้มันคิดเพราะความคิดอันนั้นไม่ถูกนี่สติปัญญาครอบหรือไกด์กองดูแล้หรือเข้าใจแล้วว่าสิ่งนั้นผิด บางข้าไม่คิดถึงมันก็ผืนไม่ได้ถ้าลงาสติปัญญาได้ตั้งหน้าทำหน้าที่ด้วยความจริงเลอกด้วยเจตจำ น, นงแล้วมันจะฝืมไปไม่ได้ละยอมเมื่อยอมขั้งนี้แล้วขั้งนั้นก็ยอมไปเรืยถ้าปล่อยขั้นนี้แล้วก็เสริมไปด้วยมีกําลังมินด้ห้ามไม่อยู่ไปจเจริดเปิดเผยเลย เอาให้ลงในวงปัจจุบันเปนานาให้เหนเข้าใจพยายามไม่มีหน้าที่การงานอะไรก็มีเพื่อให้ทําประกอบความป้าเก่นี่เราเห็นมันมาเป็นของสํางัารมากงานของพระคือการเดินจะกรมนั่งสมาธิภาวนาเราถือเป็นงานชั้นเอกส่ยุกมัถือเป็นงานหลักของศาสนาหลักของงานที่จะลือะ้อวัฏฏสงสารอกศาจิตใจได้แจ่ การเดินเป็นคมนั่งส ม, ม, มาธิโทนเราไม่เห็นงานอื่นใดที่จะวิเศษวิโสยิ่งกว่านี้งานเหล่านั้นเราทำไปเป็นความจำเป็นใ น, ในบางครั้งบางเวลากำหนดกระไว้ไมให้มันทําเพื่อมัทำสักซักซึ่งเป็นการทำลายจิตใจเรื่อยๆไม่ดีมีคือผู้แสวงทางแสวงทางก็ต้องหาธทำนะซิการแสวงก็ว่าการหาการค้นคว้ า, าการทํางาน หาความจิงความจริงมีอยู่กับตัวทุกคนทําไมจะไม่เจอมาให้เจอเลยตันหน้าต่างตางตดู้ต่จิตนั่นนะ่ะจิตนั่นลนะตัวเฮี้ยใหญ่ตัวก่อเหตุก่อภายทั้งนานตัวเฮียเฮยเฮ้ยใหญ่นะั้นเนี่ยทาให้เหมือนโลกนัไม่มีโอไม่สนใจกับฟังอะไรเสียงจิตมาเครื่มสัมผัสไม่สนใจตนะั้งนั้นเราจะสนใจดูตั้งแต่ความเคลื่อนไหวของจิตทางเดียวคนนี้มันจะไปไหนวะฟาดพนมไป ม answer, slow, ัน awesome. ก you know, ็ร Some ู้อย่างนี้มันต้องเห็นเล่นกันวันหนึ่งเวลาหนึ่งจนได้ถ้าตั้งหน้าต่อสู้แบบนี้แบบนี้จะถอยเงีถอยเงีล้มถอยถอยอือใช่ไหมน่ะเราผู้สอนก็อีกน้าละอาศัยเหมืนกันนะเพราะสอนหมู่ก้อนนี้สอนด้วยความตั้งอกตั้งใจสอนด้วยความเต็มใจเป็นเมตเป็นเหมือ่ทุกิีดทุกอย่างทุ่มเทลงหมดไม่มีอะไรปิดบังนี้รับกระหมู่เพื่อนเลยมันเพราะอำนาจของคํา อยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นอืในธรรมทั้งหลายที่ควรจะรู้เห็นนั่นเองเจตนาของเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉั้นเวลาเห็นผิดเห็นพาดไม่มีสติสตังเลยถึงต้องดุรู้ต้องเหมือนโลอินหนาละอาจจริพลความด้วยอไม่เพียงกระดุคนั้นนะดุดาว่ากาธรรมดาตรงยังทําให้เกิดความอินหนาละอาจฉรยิ่งจำอยากอย่างนี้ทำไมมันมันตึ้งเคลื่อนค้าดจะได้ล่ะแต่สิ่งละเอียดตัวนี้จะทำอย่างไงแน่ เข้ามาเที่ยวกันตักทันทีทันอ่าธรรมญญาอธิบายมันค่อยๆมาได้หมครับเยี่ยมเลคือเราที่สี่ส่วนมากถ้าอยู่ขนาดสามทามที่สี่กิโลที่ห้ากิโลนี่ปานูวตร์ผมก็มาลงมาตรวจเดื่องขึ้นเห็นแล้วว่ามือขาดไปขาดไปจะมืดจะดำผมไม่้ว่าผมไม่ได้คำนึงคานวณถึงเวลาเวลาว่ากัวมืดกัวรําไง ท, ทั้งทังจะเป็นป่าเท่านั้นาหะที่เราเดินไปได้ทลายภาว น, นาไปไคิดกลัวอะไร ท, ทั้งทั้งจะเป็นตาเสือนั่นแหละที่เราไปมันก็ไม่กลัวเดินเนียกำลังกำขาไปนะี่คือข้ามเด้ไปแบบนัมนัสบายพอไปแล้วเปนเร่อของเกิน น, กนิ เรเกิดปัญหาป้องใจเรทีห้าวันกลับมาก็มีแต่มาช่วคคาวัมาในวันนั้นเต่านี้ยไอดวนคือมันต้องการสนุกหรือหนักไปเลมีมาทุกวันมันมีหลักสมาธิเพราะเรื่องของปัญญาแล้วอมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีมแต่มันต่อจากคัวจานนัน ต้องเลื่อมัดระวังมากใครรักต้องหวนตัวมากทั้งเจตัวจะเหมืออต้องทราบเรื่องของรื่อย่างนี้แล้นก็มพวเอะไรนั่ก็ไม่เดียวโปรแกรมจะมาได้เป็นอย่างนั้นนะขอนน้าก็มันคืออะไรก็ไม่พูดไม่ถูกมันไม่ได้ตอนนาำเาวนเลย เนีหมายจะบตอนไม่หลับเป็อ น, นอย่างนี้นเหมือนกับเราจะเอามันดู่ไม่ได้หรือจรมืนจะทลองันไม่ได้เลยเยายามดือด้อดื้อขนาดนี้ผู้ปิวัตใหม่ล้วไม่เป็นลังไม่ถนัดกิริยาใจนี่ดูที่าทนากานี่ไม่ดกว่า แต่เคล่อนมเพนคนอ่าวามีเพื่อนฝูงคือคืออาจารย์ผเป็นผู้นำไปผู้นั้นเป็นผู้มีหลักคิดในนหสูควรได้เรียนบางอย่างนันเป็นมนนัเป็นอานี้มันเป็นบทเรียนมันเป็นน่าก็ต้องมันสืบค่นเท่านท่นกันั้น บรรณาชนวนรวัดจ้างเขามาอยู่ที่นั่นทั้งแรงเลยนะเน่แหละไปลองไปดูที่ออกภาษ า, าไปลองดูไม่เป็นคาดขาดทุนลงไปที่เคยนี่โดยไมีสินมากระทบกระเทือนให้เลยนันขาดทุนพ่อลูกนั่นพอเสียงนี้ไม่ใช่มันนะ่นเป็นของมันเองมันตั้งใจถูไทยกันอยู่มันก็ไม่ได้เลื่อนนั่นน่ะใช่ไหม น, นะเราต้องกล่วาวอะไอยู่ท่านนี่คจ้ะ ท่านถึงมันไม่ไปไปมันก็ไม่ดูท่านเหมือนกับแม่เลยอยู่รมรมะอ่าท่านิจเป็นสมาธิเองได้นนะ่ะตั้งินไปแลไปแล้วไปวได้คือมีหลับอย่านส้ควา้รื พอขั้นปัญญาแล้วเอาอย่างนี้เป็นอย่างเหมือนตื่นตื่นตนไม่เคยถาเกิดปัญหาขึ้นมาก็มันกาเยียวถามท่านวมันเรยิ่กว่าเราจะแก้รื่งพังเราแก้เรื่งพังเราก็ได้แต่ว่ามันช้าเมื่อมันปรากฏขึ้นมาแยกปัญหาต่างๆขัดข้องใจนั่นเรื่องีเหลืกเพา่านี้มันก็เป็นเรื่องธรรมโยแกที่เหลือต่อี่ะ พอมนอันล่าวตัวท่านท่านใส่พังเลยพังไปเลยนี่มันจะไม่อยากมาถามท่านอย่าง้นง่ายใครจะแบกไปทั้งวันทั้งคืนปัญหาเพราะท่านผ่านไปแล้วพรอแยกไปแล้วท่านรู้ทันทีท่านใส่พั้เยอพังไปเลยที่เลย ท, าลยทาลย่านเาทำในเครุนี่สุดก็แม่จน ยรนเด่นจิม้ว่าใจนเดต่ก็ยงท่านองไหนมาจากอย่างที่ว่าเพบุรีองไหนมาจากเพบุรีอยู่ใยครับ